ได้ดีทกับสติสัมปชัญญะรวมถึงด้วยปัญญาน่ยสติสัมปชัญญะถ้าพูดถึงสติสัมปชัญญะแล้วก็ไม่ต้องพูดเรื่องปัญญามันเรื่องเดียวกันถือว่าผู้นําทางจิตวิญญาณของเราก็คือสติสัมปชัญญะเพราะว่าหลายเพราะว่าบางทีเราคิดแล้วก็พูดแล้วก็ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเรารู้ไม่ทันในตัวนี้แล้วก็ก็ทําให้ชีวิตเราในผิดพลาดได้ในแต่ละวัน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 ไปจับไปเกาะแล้วก็มันจะเครียดนะมันพาจิตเข้าคุกอย่างนั้นจิตมันก็ไม่ชอบมันก็จะเครียดหนักกับไปใหญ่เลยต้องรู้แบบผ่อนคลายสบายๆมันไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่รู้อะไรก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เรารู้สึกตัวมันก็มีความผ่อนคลายในตัวจิตมันก็เป็นกลางไปเองอย่าไปบังคับจิตให้เป็นกลางถ้าบังคับจิตให้เป็นกลางเนี่ยไอความบังคับเนี่ยคือตัณหาถ้ามีตัณหาแล้วมันกลางไปไม่ได้หมันจะเพิ่มความเครียดกับไปใหญ่ก็รู้เฉย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 เขาไปทําอย่างงน้นทําในี้แดงใจเราเนี่ยนี่คือผู้แสดงมันก็เหนื่อยก็เกลียดไม่ใช่วิปั ส, สนาแต่ถ้าอ๋อสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้ไม่ต้องไปสนใจลนะแค่รู้เฉยๆปัจที่ดูเนี่ยไม่ได้แสดงไม่เหนื่อยไม่เก็บสบายเลยดูดูอะไรดูขันห้ารูปนามมันแสดงไม่ต้องเป็นเล่นไม่ต้องไปกํากับเป็นเียงผู้ดูเนี่ยมันจะรู้ชัดนะเป็นผู้ดูี่จะรู้ชัดรู้ตามที่มันเป็นจริง สบายที่ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปแสดงอะไรเพียงแค่ดูดูอยู่ห่า ง, างจิตมันก็เป็นกลางก็จะมีแต่ความผ่อนคลายจะเกิดสภาวะที่ดูได้นั้นต้องขยันเจริญ ส, สติให้มากๆสติเมื่อเราจเจริญ ม, มากๆเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเกิดปัญญาที่ปล่อยวางกายปล่อยวางจิตไม่ยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยมันปล่อยวางได้ต้องเริ่มต้นในการเจริญสติผลสุดท้าย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 รู้สึกตัวไปเรื่อยๆอีกไม่ช้าก็ปล่อยวางได้เองอย่าขี้เกียจอย่าท้อแท้ในการปฏิบัติในการจระสติในแต่ละวันขยันเข้าไว้สร้างความเปียนเข้าไว้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการสร้างความดีเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอย่าท้อในการทําความดีอย่าท้อในการสร้างบุญสร้างกุศสลสิ่งเหล่าเนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครไม่เป็นเรื่องของเราเรื่องของเราเรื่องปนทุกข์ของเรา